สวัสดีพวกเราทั้งหลายการที่เราได้มีความรู้คือความรู้ที่เกิดขึ้นจากพระพุทธศาสนานั้นเราได้พากาันศึกษาศึกษาเนเะเรียกว่าศึกษาศึกษาแปลว่าการศึกษาการศึกษา ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นโดยประสงค์คืออะไรเราจะต้องรู้ว่าโดยประสงค์คืออะไรบางคนก็ไปคิดว่าโดยประสงค์คือให้เกิดความรู้บางก็คิดว่าเพื่อเป็นเครื่องประดับบางก็คิดว่าเสียไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ค่อยถูก ถามที่จริงแล้วเรารู้เราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราต้องการอยากได้กุศลอยากได้บุญอยากได้พลังจิตอยากได้สิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญอะไรหลายอย่าง ในคำสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นพระองค์แสดงให้เรามีการรู้จักบริจาคทานบริจาคทานนั้นคือการแสดงความเมตตาคือเราจําเป็นจะต้องมีความเมตตาต่อกันละกันไม่ว่าผู้ใดเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีสัตว์มีสีเหมือนกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นต่างคนต่างพากันมีเมตตาต่อกันและกันได้ย่อมจะนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นจึงมีการบริจาคการบริจาคนั้นพุทธศาสนิกชนก็ต้องการได้บุญแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นการแสดงถึงน้ำใจอันเยี่ยมยอดในที่สามารถสละ เพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ตนและให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้อื่นได้นี่เป็นเรื่องของการบริจาคทานท่านกล่าวว่าผู้ที่บริจาคทานนั้นได้มีการละกิเลสคือความโลภได้ตัวหนึ่งแล้วนอกจากนั้นเขาก็ยังจะเป็นผลบุญที่ส่งให้เขา ที่จะต้องไปเกิดในต่อไปให้ได้มีความสุขความเจริญอีกด้วยแล้วต่อมาที่เราพากันศึกษาศึกษาในเรื่องศีลศีล น, นั้นก็จะต้องเข้าใจว่ามีความสำคัญที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าเสียแรนสุขะิงยันเตคนเนี่ย จะมีความสุขได้ก็เพราะมีศินศีเลนะโพก็สมมาาคนจะรวยได้ก็เพราะมีสินศีเลนะในพุทริงยันเจคนจะไปพระนิพพานได้ก็เพราะมีสินลองคิดดูสิว่าเพียงแค่ศินเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งที่ว่านําความสุข เพราะว่าการที่เบียดเบียนกันฆ่ากันเนี่ยมันหาความสุขที่ตรงไหนไม่ไดเ้เพราะการเบียดเบียนทำลายซึ่งกันและกันฆ่ากันทำสงครามกันนี่มันเป็นความทุกข์แล้วก็การลักการขโมยก็ก่อความทุกข์คือยอมยาไปที่นู่นก็มีขโมยมาที่นี่ก็มีขโมยนี่เขาเรียกว่าผิดศีล ข้ออจินาทานไม่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ลักก็ขโมยก็ปล้นก็สารพัดทั้งโกงทั้งกินสารพัดโกงบ้านโกงเมืองบ้างโกงเพื่อนฝูงบ้างกงคนที่รู้จักบ้างโกงอะไรต่ออะไรสารพัดมันก็ผิดศีลอ่ เขามีเงินก็จริงแต่มันผิดศีลแล้วมันก็มีความตกไม่มีความสุขและอย่างการที่มีแต่มีภรรยาคนนั้นก็นอกใจคนนี้คนนี้ก็นอกใจคนนั้นในที่สุดมันก็หาความสุขไม่ได้แล้วก็พูดอะไรก็ไม่มีสัจจะไม่มีความจริงก็หอกหลอกลวงซารพัท นี่มันก็เกิดความทุกขานั้น เ, เดี๋ยวเขาก็โกหกเราเดี๋ยวก็หลอกลวงเราเดี๋ยวก็คนที่ไม่ดีไปหลอกลวงเขาต่างคนก็ต่างพา ก, กันหลอกลวงมาจะหาความสุขที่ไหนเอ่อแล้วก็ข้ออีกข้อหนึ่งก็กินเหล้าเมาสุรายาเสพติดลองคิดดูกันแล้วกันว่ามันเดือดร้อนแค่ไหนกินแล้วก็ร่างกายก็จะต้อง ถูกชิ้นหายไว้ป่วงไปด้วยแล้วก็เกิดโลกแล้วก็เกิดความวิวาดแล้วก็เกิดอุบัติเตุต่างๆก็เพราะเล่าเมาสุรายาเสพตินเหล่าเนี้เพราะฉะนั้นที่ว่าพระองค์ว่าสีเรนะสุขจริงยันเตจินนะถ้าไม่กินไม่ทําเหล่าเนี้พวกเราก็มีความสุขกันไปโดยตลอดสีเลนะพโขก็สัมปทา ผู้ที่มีสินและนั่นแหละเป็นคนที่ก็รวยทำไมถึงรวย เ, เพราะว่าการที่เขามีศจลจมีความจริงอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมันกินไม่หมดถ้าคนโกหกเนี่ยเขาจับได้ทีสองทีก็หมดแล้วแต่คนที่มีความจริงเนี่ยเขาสามารถครบกันได้ไปนาน เรียกว่ามีสัจจะมีความจริงไม่โกหกไม่หลอกลวงมันก็ค้าขายมันก็ทำอะไรกันมันก็เจริญรุ่งเรืองเรียกว่าศีเลนโพกสัมปดาศีเล น, นิพุตรจิงยันเจผู้ที่เข้ามารับษาสินห้าบ้างสินแปดบ้างสินสิบบ้างสินสองรอยี่สิบเจ็บ้างเป็นพระแล้ว แล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปก็เรียกว่าสมาธิปัญญาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเราไปรู้เอามาเป็นเครื่องประดับว่าเป็นเอานั่นเป็นนี่แล้วก็ตัวเองก็ไม่ปฏิบัติมันก็เสียหายเพราะฉะนั้นเมื่อเรา ต้องการศึกษาพระพุทธศาสนาเราก็ต้องศึกษาตัวของเราว่าเรานี่มันผิดตรงไหนเมื่อเราจะได้แก้ไขตัวของเรานี้ให้ดีเมื่อแก้ไขตัวของเราไม่ดีเราก็มีเพื่อนแก้ไขตัวของเราไม่ดีอีกต่อไปแล้วต่างคนก็ต่าง่เป็นหมู่เป็นคณะรักษาศีลภาวนาด้วยกันมากขึ้นมากขึ้น ความสุขไม่ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการศึกษาที่เรามีความรู้ในพระพุทธศาสนาจึงทำให้ตัวของเรานี้จเจริญ ง, งอกงามเป็นอย่างยิ่งสวัสดีสาธุ